ก็ทานไปเรื่อยๆนะก็ในช่วงการปฏิบัติบางทีก็บางคนแม้ว่าจะเคยปฏิบัติแล้วก็ตามแต่ว่าความเข้าใจจะยังไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ความใจถูกต้องเน้น การเน้นความเข้าใจถูกต้องเป็นเรื่องสําคัญแม้ว่าเราจะปฏิบัติมานานบางทีเราปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจก็ไม่ได้รับผลที่ถูกต้องหรือตามเวลาที่ต้องการในการสังเกตการทําความเข้าใจกับการทําเป็นเรื่องสําคัญเ <c oughs> ราสมมว่าญาติเช่นเราเดินจูงกลมนาน ทำไมรู้สึกหนักขาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆในที่สุดความหนักขาก็เพิ่มขึ้นความตึงที่ขาแต่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติสังเกตว่าเมื่อกี้ความหนักมันไม่มีเดี๋ยวนี้ทำเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะเราเหยียบลงไปน้าหนักมันทับลงลรายกขึ้น น้ำหนักก็หายไปนะแต่เนื่องจากว่าตัวหนักเนี่ยมันคลายช้ากว่าตัวเบาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราอับเหยียบเนี่ยอาจจะกินเวลายาวกว่ายกนั <c oughs> นวิธีปรับให้ตัวหนักนั้นหายไปเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรายกกับเวลายกกับเวลาเหยียบใช้เวลาเท่าเทากันเนี่ย มันมีเวลาของการความหนักเนี่ยผ่อนคลายได้ทันความรู้สึกหนักก็จะผ่อนคลายลงเพราะความสมดุลระหว่างหนักกับเบาแต่ในกรณีที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะส่วนหนักเนี่ยมันออกไม่ทัน <c oughs> พอเรากดลงไปแต่ว่าในช่วงเร่ ย, ยกเนี่ยสมมติครึ่ ง, ห น, งหนึ่งวิแต่เราหยยบไปประมาณสองถึงสามวิ ทีนี้ไอช่วงยกเนี่ยน้ำหนักใน3มวิเนี่ยมันก็ลดไปแค่วิเดียวมันตัวค้างอีก2วิไอการสะสมทุกๆครั้งการส่งสมความรู้สึกหนักทุกๆครั้งครั้งละ2วิสวิไปเรื่อยๆแต่มันก็คลายออกแค่วิเดียววิเดีย ว, ว, ยวมันก็เกิดขาดสมดุล แต่ถ้าสมมุติว่าเราเหยียบลงไปสองวิเวลาเรายกขาขึ้นเราก็ใช้เวลาสองวิเท่ากันความหนักจะไม่ปรากฏเพราะว่ามันจะลบ ก, กันตรงนั้นพอดีแต่เราไม่เคยสังเกตในรายละเอียดเหล่านี้เพราะว่าเราอยู่กับความเคยชินมานานนะในหลักการอื่นก็เช่นเดียวกันในะหลักมัชชิมาปฏิปทาความสมดุลถ้าสมมุติว่า เราเหยียบไปห้าวิแต่เรายกให้สองวิบางเหตุตกค้างอีกสามวิความสมดุลระหว่างหนักกับเบาไม่เท่ากันความหนักก็จะตกค้างพอตกค้างสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นความหนักก็จะบีบคันแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบอาการหนักเราก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแทนที่เราจะไปหาเหตุว่าทำไมมันจึงหนักหนักเพราะอะไรเราตั้งใจเฝ้าดูแล้วก็ผ่อนให้ช้าลง ความหนักกระเบาให้ช้าลงความหนักก็ค่อยคลายไปความเบาก็เข้ามาแทนที่ระหว่างห้าวิต่อห้าวิเท่ากันความหนักไม่ตกค้างเพราะความเบาเข้าไปแทนถ้าหากไฟกองเบลร์เนี่ยเราใช้ลดน้ําลดเพียงกระป๋องเดียวเนี่ยมันคงดับไม่หมดกดนี้ฉันได้ก็ตามเมื่อความหนักมันเป็นก้อน ห5วิแต่ความเบามันมีก้อนแค่2วิมันก็ดับกันไม่ได้สันดดยก็ดีในกรณีอื่นก็เช่นกันดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถค้นพบกฎแห่งความสมบูรณ์กฎหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไปบูรณาการต่อกฎอื่นด้วยซึ่งถ้าเรามีความแยบขายมากพอความทุกข์ของเราจะลดลงทางกายและใจ แต่ความทุกข์ส่วนใหญ่มันสั่งสมไปจากกายที่ขาดสมดุลแล้วก็ไปสั่งสมที่จิตทุกขเวทนาทางกายจึงไปสั่งสมที่จิตเป็นความไม่สบายใจจากความไม่สบายกายไปสร้างความไม่สบายใจเป็นทุกขเวทนาทางจิตความไม่สบายกายเกิดเพราะความไม่สมดุลระหว่างสบายและไม่สบายนั่นเองนะหรือบางทีบางคนชอบความสบาย ถ้าเดินแล้วมันไม่สบายก็นั่งดีกว่าพราะนั่งที่นี้เราก็ไม่ค่อยขยับเรานั่ง10นาทีแต่เราขยับแค่1หรือ2นาทีความหนักที่ตะโพกเราก็จะตกค้างถึง8นาทีนั่งไปสักพักหนึ่งเราก็เบื่ อ, อกินล้หนักอีกแล้วฮะเราก็เปลี่ยนไปอีกเราหนีความ สมดุลมาตลอดในชีวิตเราเนี่ยเราเราไม่เคยที่จะกลับมาสังเกตูุนี้แต่เราหนีมันเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความหนักเบาเนี่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเกิดมากกว่าดับก็เกิดปัญหาถ้าดับมากกว่าเกิดก็มีปัญหาเพราะนั้นท่านจึงเห็นให้เห็นการเกิดดับเพื่อที่ปรับการเกิดดับให้สมดุลกันเราก็จะอยู่เหนือการเกิดดับ คือตัวมัชชีมาปฏิปทาเกิดเหมือนกับหนักดับเหมือนกับเบาเมื่อนหนักเบาในเวลาเท่ากันเกิดการสมดุลเรียกว่ามัชชีมาปฏิปทาตรงนี้เป็นทางมรรคเข้าไปสู่ความตับเย็นของสุขของทุกขเดือนนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วพยายามใช้กฎแหงความสมดุล ทั้งรูปและนามทั้งกายและใจมันก็จะความทุกข์ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วการปฏิบัติของเราก็จะมีความหมายความพยายามของเราก็จะมีความหมายไม่ใช่ทําไปโดยไม่พิจรารณาไม่แยบคายล้วก็บอกว่าเราทําไม่ได้หรือว่าเราไม่ถึงเวลาความพอใจความไม่พอใจเป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะ แต่เราจัดการความพอใจให้ไม่พอใจให้สมดุลไม่ได้ก็ให้เกิดโมหะโมหะตามมาคนจริงเหตุจริงๆมันแล้วก็คือตัวราคาตโทสะเท่านั้นคือความหนักและความเบาเท่านั้นเบามากเป็นความพอใจพัฒนาเป็นราคาเป็นดันหาเป็นโลภะเป็นกามาสะวาเดี๋ยวพอมาพัฒนาความหนักความเบาสมดุลกันมันก็พวกนี้ก็จะลดลงแต่เราชอบเบาเกินไปไม่ยอมหนักเลย ราคาก็จะจัดโลภะก็จัดนะแต่ถ้าหากเธอชอบหนักตลอดไม่ไม่ปรับให้เบาเลยโทสะ ก, ก็จัดมานะก็จัดเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุตามกันไปอย่างเป็นคลื่นกระทบกันไปแต่ลู ก, ลกแต่เราไม่เคยสังเกตต่อหลักสมดุล น, นี้ ท, ทั้งทีพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดมากแต่ว่าการที่เราไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิไม่ปัเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่มีความอดทนต่อการเฝดูเพราะเราได้เป็นตกเป็นทาสของความทุกข์มาไม่รู้กี่ภพชาติกับกันเนี่ยพอมาเจอคําสอนนี้ไอ้ความเร็วความแรงความร้อนเหล่านี้มันก็ขับเคลื่อนเราให้ไปแตะนาจของความพอใจไม่พอยใจมาตลอดนั่นเป็นสาเหตุของทุกข์ มีประกันเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำถึงแม้เราพัฒนาสติสมาธิปัญญาแต่สติปิปัญญานั้นเป็นสังส่วนหยาบอยู่ต้องพัฒนาให้ละเอียดขึ้นทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญามีแต่ใครจะหยาบกว่ากันใครจะละเอียดกว่ากันจะยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นนะเราก็ยิ่งเห็นรากเงาของทุกสมุทัย ได้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นโอกาสที่จะปรับสุขทุกข์ให้เท่ากันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเองในหลักอันนี้เราจึงอยากจะทําความเข้าใจแล้วก็ไปทําบ่อยๆไปทดสอบบ่อยๆทําไมเราจึงขี้เกียจเพราะเรารักสบาย ร, ารักสบายมันเกินกว่าสมไม่สมดุลกับความไม่สบายมันก็ก่อให้เกิด ความขี้เกียจขี้เกียจก็นําไปสูคคค่ความอยากความใคร่ที่มีกําลังความอยากความใคร่นาไปสู่ตัวยึดติดความโลภความอยากเกินกําลังแล้วเกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการเห็นแก่ตัวเกิดการสู้รบเพื่อได้ความอยากมากกว่าเกิดการทําลายล้างเกิดการทําสงครามเพราะนั้นเพียงแต่ขาดความสมดุลอย่างเดียวเนี่ยมัน ขาดตัวรู้เข้าไปสมดุลโลกนี้มันก็จึงเปลี่ยนอยู่อย่างนี้มันไม่เคยสิ้นจบุบจนกว่าพระศาสดามาตรัสรู้แล้วก็มาบอกความจริงแก่เราและความจริงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรับได้คนที่มีศรัทธาและมีความเพียรที่จะทําตามเท่านั้นถึงจะได้รับผลอันนี้คนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรก็จะต้องตกเป็นทาตของทุกขอย่างนี้เรื่อยไป นะไม่ไม่มีที่ชีนจบเรียกว่าวัตสงสารนะเอาทำไมพระไม่ฉันนี่มุนฉันนะเพราะฉะนั้นเองก็เร า, เาพยายามศึกษาหลักการอันนี้ให้ชัดเจนอย่าไปเสียเวลาทุ่ซี้อยู่กับความสบายไม่สบายต้องปรับแก้อยู่เสมอ ยิ่งเราปรับแก้วความสบายไม่สบายชํานิชํานาญมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะจิตของเราก็จะ เ, เลื่อนเขึ้นสู่ศูนย์กลางคือมัชชิมามากขึ้นเพราะความสบายไม่สบายปรากฏตลอดเวลาตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งวิบากที่เราต้องได้เกิดมาเจอมันก็เพราะเราตกเป็นท่านความสบายไม่สบายไม่รู้กี่ภพชาติกับกันแล้วยายพระหัน์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้พบกฎอันนี้ท่านก็ไม่ต้องกลับมารับวิบากอันนี้อีกแต่เราทั้งหลายถ้าเกิดมาชาตินี้ได้รับ รู้คำสั่งสอนของท่านแล้วเราก็ยังทำตามไม่ถุยเราก็ต้องได้รับวิบากนี้ต่อไปเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปไม่ไม่มีที่สิ้จบนะฉะนั้นในช่วงที่เราศึกษาเรื่องนี้ความพยายามความขยันของเราต้องไม่ไร้ผลถ้าเราเข้าใจถูกต้องอย่าลืมว่าความสบายเนี่ยเรายึดติดแต่ความไม่สบายเรากลับวิ่งหนี มันก็จะวิ่งอยู่สองขั้วเนี่ยตลอดนะมันวิ่งออกจากกันนะแต่เมื่อไรความสบายมาสบายเอามาสมดุลกันพอดีมันก็จะเป็นกฎอันหนึ่งที่ดับทั้งสองส่วนเรื่องนิพพานนะดับทั้งขั้วสบายและไม่สบายนั่นเองก็สาหรับคนที่มีศรัทธาและมีความเพียรก็จะเกิดปัญญาไว แต่คนมีศรัทธาและความเพียรอ่อนปัญญาก็เกิดช้าเมื่อปัญญากเกิดช้าก็ยากที่จะไปเห็นเส้นแบ่งระหว่างความพอดีระหว่างความพอใจและไม่พอใจความสบายและไม่พอไม่สบายเกิดปัญญาเรามันจะเห็นเส้นแบ่งระหว่างกลางความสบายไม่พอใจในส่วนชาส่วนที่พอดีนั้นปัญญาละเอียดขึ้นถ้าปัญญายังหยาบอ ย, อยู่ก็เหมือนคนสายตาไม่ดีจะมองเห็นเส้นแบ่งที่ ละเอียดอ่อนก็ยากหลวงพ่อเทียนท่านเปรียบเสมือนคนตัดกระจกเพชรที่ตัดกระจกนึกกีดลงไปแล้วเราไม่เห็นร่องรอยเลย ว, ว่ามันอยู่ตรงไหนจนกว่าจะกดทั้งสองข้างออกจากกันเราถึงจะรู้ว่ารอยตัดมันอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ปัญญาที่จะมาแยกความพอใจไม่พอใจบางทีเรากำหนดรู้แล้วเราไม่เห็นรอยขาดของมัน เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบโดยการเข้าไปสมดุลทั้งสองข้างมาเราก็จะเห็นรอยรอยหักของมันนะเพราะความแหลมคมความละเอียดของคมคือกา ก, ากเพชรเนี่ยมันละเอียดเกินกว่าที่จะไปเห็นหร่องรอยรอยตัดดนานการคมแห่งปัญญาก็าเช่นเดียวกันละเอียดเกินกว่าจะไปเห็นว่าความทุกข์กายเท่านี้ความทุกข์ใจเท่านี้จนกว่าเราจะได้พิจรารณาและทดสอบทดลอง เราก็จะเห็นส่วนต่างของมันทั้งสงข้างนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากที่เราได้มาพบคําสอนผู้เจ้าแล้วก็ได้เข้าใจได้เนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าโชคดีไม่ถึงที่สุดเมื่อศรัทธาและความเพียรของเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งตามกําลังศรัทธาเพราะศรัทธาและปัญญาเราตั้งมั่นแล้วเราก็จะได้เข้าใจคําสอนอท่านครบถ้วนเราไปใช้ได้ แล้วก็โชคดีที่จะต้องอทำลายเหตุแห่งทุกข์ ค, คือความพอใจไม่พอใจในชาตินี้ได้นะเพราะฉะนั้นก็าการเก็บอารมณ์วันนี้มีการเพิ่มขึ้นแล้วก็การพยายามต่างๆให้ดูสองส่วนนี้เป็นหลักความสบายไม่สบายความขยันความขี้เกียจความร้อนความหนาว ความหนักความเบามันจะมีคู่ทั้งสองคู่นี่แหละเราก็ไปดูความขาดความเกินของมันนะคู่ไหนมันขาดไหนมันเกินดูไปเรื่อยๆแต่ต้นตอมันก็ไปจากนี่แหละสบายไม่สบายนะสุขทุกบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานสังสารวัฏไปเป็นคู่ของมันตลอดก็พัฒนาไปจากสองตัวนี่แหละเพราะนั้นเวลาเราทาต้นๆ้นของมันการเดินโยงโกลมการสร้างจังหวะหนักเบานะ เพราะนั้นในสมัยที่เรายังไม่ได้สดับคําสอนผู้ดีเจ้าไม่เข้าใจเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับหนักกับเบามันตลอดเราก็จะเวียนว่ายใจเกิดอยู่ในกัมหนักขันเบานี่แหละแต่มันจะขยายมาเป็นราคะโทสะโมห ะ, ะการที่เราไม่เข้าใจหนักเบาทั้งสองนี่ท่านเรียกโมหะแต่เมื่อใดเข้าใจหนักเบาทั้งสองพอดีท่านเรียกว่าเป็นปัญญาโมหะด้วนั้นพัฒนาเป็นปัญญาซึ่งก็ เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยนะที่เราจะเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปเพิ่มกําลังศรัทธาที่จะอยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะศึกษาให้มากกว่า น, นี้เราไปเพิ่มกําลังของความเพียรลงมือพิสูจน์ลงมือทมให้ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องเราได้กล่าวไปหลายครั้งว่านมัสระวังในส่วนหนักที่ม่นจะเกิน2อส่วนไหนเกินตัด3เพิ่มพูนในส่วนขาด สี่รักษาส่วนขาดและส่วนเกิดนี้ให้สมดุลกันนี่ความเพียน4ีประการเรียกว่าสัมปทานซึ่งเราก็แต่เมื่อเรายังไม่เกิดปัญญาเรียนรู้แค่ไหนจําแค่ไหนก็แค่นั้นยังไม่มีปัญญาที่จะไปตีบทที่แตกอันนี้ก็คือเราจะต้องพัฒนาปัญญาต่อไปอแต่ถ้าเราตีบทแตกหมายความว่าเข้าใจสามารถถือเอาอาัฏฐ ได้สาระของเรื่องได้ก็เรียกว่าเกิดอตีบทแตกเรียกว่าอัฏฐะแต่ในส่วนที่เรื่องตีบทไม่แตกจําแต่พยัญชนะก็คือจําได้แต่อาชัาไม่เป็นเขาเรียกพยัญชนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเธอทั้งหลายจงไปประกาศกรมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมอั้งอัฏฐะเขาไม่ก็ตีบทให้แตกพร้อมยัญชนะในจําบทตัวหลักให้ได้ เราก็มาตีให้แตกเหมือนเราจะกินผลไม้เราจําได้ผลไม้ชื่อชนิดนี้แต่เราก็จะต้องปอกเปลือกผลไม้นี้กินได้ด้วยนั่นคตีบทแตกแต่เได้รับผลไม้ผลนี้แต่ว่าเราสมมุติผลมะพร้าวเราไม่มีมีดเราก็ไม่สามารถจะตีบทแตกได้เพราะมันก็ยังเป็นลูกมะพร้าวอยู่แม้เราจะมีมันแล้วก็ตามแต่เราก็ปอกเปลือกออกไม่ได้แต่ว่าไม่เกิดอัฐิแต่การที่จะปอกเปลือกมะพร้ากกินได้ ลำพังมือเันอาจจะออกไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือเช่นเดยียวกันคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกับคำว่ามะาพร้าวการที่เราจำมันได้ก็เหมือนเรามันมีถือมันไว้ละแต่เราจะต้องสามารถผ่ามันออกมากินได้ด้วยคือใช้ปัญญาแต่ความเพียรนะการที่ได้กินผลไม้ผลนั้นทำให้เกิดความเข้าใจเกิดความเอือิ่มเกิดความหายทุกข์หายกระหาย ก็ชื่อว่าเราได้รับผลแห่งอัฏฐานั้นหนะืออัฏ ฐ, ฐบัญญัติอริยบัญญัติ น, ะนั้นเองคําสอนของพุทเถียนเป็นรหัสไทรที่ค่อนข้างแหลมคมแต่ถ้าหากว่าเราตีออกมาแล้วนะมันมันก็ง่ายขึ้นนะฮันก็พยายามนะในช่วงที่ไปเก็บอารมถ้าหากว่าหนักเกินไปเราก็ปรับให้เบาลงมาเบาเกินไปค่อยปรับให้หนักขึ้นไป ส่วนจะแบ่งกลางระหว่างหนักเบาแค่ไหนจริงจะสบายเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นแต่ปัญญาของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะบอกาย ต, ตัวได้เพราะปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันคนไหนพบความสมดุลได้มากก็สบายมากคนไหนพบความสมดุลได้น้อยก็สบายน้อยคนไหนไม่พบมันเลยก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนะจะมีปัญหามันเดิมก็ทุกลงถ้าหากว่า เราเอาไปไข่ควรพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ลองทำดูถ้าเข้าใจนะก็จะดีขึ้นตอนนี้ทุกคนทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาพร้อมกันกลุ่มกลุ่มอาสาก็คือกลุ่มที่อยู่ข้างนอก ร, รับทำหน้าที่เอาไปล้างไปเก็บมันดู